เมื่อไหว้พระเมื่อจะเริ่มทําพิธีไหว้พระจบลงแล้วพวกเราก็ขอสมาทานศีลเป็นศาสนาพิธีและเป็นพิธีต่อเนื่องกันก็เลยทาเป็นพิธีศีลบางคนดูนานเกิดมานานรู้เรื่องพุทธศาสนามานานแต่เรื่องของศีลที่จะรู้ในรายละเอียดนะ่ะ โดยมากจะหายากเพราะว่าพอทำเป็นพิธีเรียนเป็นพิธีไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลเป็นพิธีและกระจบกันแต่แตามไม่จริงคุณค่าของศีลที่พระพุทธเจ้าให้พวกเราอุบาสกอุบาสิกาหรื อ, อ่าจิโยงผู้หญิงผู้ชายที่รักษาศีลห้าเนี่ยไม่ใช่ของเล็กน้อยเป็นของที่มีคุณค่าอย่างมากพระพุทธเจ้า ออมองเห็นแล้วว่าถ้าว่าคนขาดศีลธรรมมากๆบ้านเมืองจะเดือดร้อนวุ่นวายการอยู่ร่วมกันจะหาความสงบสุขไม่ได้เพราะคนขาดศีลธรรมให้พวกเราสังเกตดูก็แล้วกันทุกวันนี้ถ้าไปที่ไหนออกลุ่มไหนก็ตามถ้ามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมกลุ่มนั้นคณะนั้นก็จะมีความสงบร่อมเย็นเป็นสุขเพราะว่าคนมีคุณภาพแต่ว่าคนขาดศีลธรรมจริยธรรมมากๆ คนในกลุ่มนั้นก็หาความร่มเย็นเป็นจุกได้ยากอย่างศีลพระพุทธเจ้านะ่ยโดยตรงเลยที่พระพุทธเจ้าสอนจริยธรรมให้แก่พวกเราอย่างปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิเนตองพ่อจะให้ศีลหรือว่าให้พวกเราสมาทานศีลตามไม่จริงไม่ใช่หลวงพ่อให้นะศีล น, น, นี่นะพวกเราสมาทานหลวงพ่อเป็นผู้นําสมาทาน พวกเราเห็นคุณค่าวัตศินมีคุณค่าพวกเราจึงสมาทานสิลข้อที่หนึ่ไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคำว่าไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ใช่เบื่อฆ่ามดฆ่าหมูฆ่าไก่ฆ่าเป็ดฆ่าวัวฆ่าควายไมใช่นะรวมทั้งมนุษย์ด้วยคือสัตว์คือไม่ให้ฆ่ากันพูดง่ายง่ายฆ่าสัตว์ฆ่าไก่ก็เหมือนกันฆ่าลูกไก่แม่มันก็ห่วงใช่ไหมฆ่าลูกหมาแม่มันก็รักใช่ไหม แล้วทีนี้พวกเราท่านทั้งหลายแหละที่อยู่ร่วมกันมีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียมีวงศาคณะญาติแต่ถ้าว่าคนใดคนหนึ่งไปฆ่าญาติพี่น้องไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าหลานของเราละ่ะเราเสียใจไหมเราก็ต้องเสียใจในเมื่อตัวของเราไปฆ่าเขาละ่ะเขาเสียใจไหมเขาก็ต้องเสียใจเพราะฉนั้นสิลพระพุทธเจ้าที่บัญญัติเอาไว้เนี่ย ให้คิดถึงใจเขาให้คิดถึงใจเราเพราะฉะนั้นสิลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าทั้งว่าพวกเราได้เอามาไต่ตรองด้วยเหตุผลแล้วแต่ถ้าว่าผู้ใดเห็นแก่ตัวมะคนอื่นช่างหัวมันแล้วฆ่าไปแล้วเอแต่ใครยังมาฆ่าญาติพี่น้องของข่าอันนั้นแปลว่าเห็นแก่ตัวเมื่อเขามาฆ่าญาติพี่น้องของเราละ่ะพ่อแม่ของเราลูกหลานของเราละ่ะคนอื่นเขาก็ช่างหอไปแล้วเอไม่ใช่พ่อแม่ของเราอ่ะ มันก็ตายไปแล้วเนี่ยแล้วความรู้สึกของเขาและของเราล่ะเป็นยังไงนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเป็นประชาธิปไตยท่านมองโลกให้ความร่มเย็นเป็นสุขท่านบอกเออทางว่าเป็นอย่างนั้นโลกทั้งโลกก็เดือดร้อนวุ่นวนายแน่นอนเพราะผู้นี้ก็ไปฆ่าคนนั้นคนนั้นก็ไปฆ่าคนนี้ต่างคนก็ต่างมีพี่มีน้องออมีวงศาคณาญาติโลกทั้งหลายจะวุ่นวนายแน่นอนเพราะนั้นบัญญัติศินขึ้นมาให้ทุกคนเป็นผู้มีศินซัก อย่าไปฆ่ากันนะพวกเรานะใครก็รักส ม, มุนหวงเหนชีวิตของเราญาติพี่น้องของเราเพื่อนฝูงของเราพ่อแม่ของเราเราพอรักเพราะฉะนั้นอย่าไปฆ่ากันถ้าว่าทุกคนมีศีลเคารพในศีลแล้วความสงบโร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนของเราแน่นอนไม่ต้องสงสัยพวกเราคิดดูก็แล้วกันที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยเป็นความจริงไหมนะไม่ใช่ว่าฟังหูขวาทะลุหูซ้ายฟังหูซ้ายทะลุหูขวา เวลาฟังพระพูดเอาไปคุยกันอีกต่างหากแปลว่าใช้ไม่ได้เพรางั้น่ไม่ฟังให้ถึงใจไม่ฟังด้วยเหตุด้วยผลนะอันนี้ราทินาทานก็เหมือนกันขโมยของคนอื่นเขาละ่ะเขาดีใจไม่เมื่อเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจในเมื่อเขามาขโมยของเราละ่ะขโมยลูกขโมยเมียขโมยหลานของเราไปเราดีใจไหมร้องไห้ทั้งวันทั้งคืน ขโมยรถขโมยรองเท้าของเราเราดีใจไหมเมื่อเขาขโมยของเราไปเราก็เสียใจในเมื่อไปขโมยของเขาเขาจะดีใจไหมเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันกับเรานี่แหละสินของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าใหม่ถ้าเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันอย่าไปมองข้ามถ้ามนุษย์เห็นแก่ตัวเท่านั้นละ่ะจึงไม่เห็นคุณค่าของศีลธรรมของพระพุทธเจ้าอาอทินาธานกาเมสุบิจฉาจารก็เหมือนกันเราไปล่วงล้ำเขาหละ่ะไปล่วงละเมิดสามีปัญญาของเขาหละ่ะ ลูกหลานของเขาละ่ะเขาเสียใจไหมเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำของเรามาละเมิดลูกหลานของเราสิทธิ์ของเราละ่ะเราเสียใจไหมเสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงมัญญัดสินข้อที่สาขึ้นมาอีกอย่าไปล่วงละเมิดกันนะให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันเขาขก็ารเพเราเคารกเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ ก, กันนะเขาก็มีสิทธิ์ของเขาเขาคุมครองออถ้าจะไปเอาของเขาก็ต้องขอได้รับอนุญาต เป็นที่ยอมรับกันซะก่อนอันนี้ก็คือสินข้อที่สาข้อที่สี่มุษาไปที่ไหนมีแต่คนโกหกตัวเองโกหกเขาขหัวรอได้แต่เขามาโกหกเราไม่ใช่โกหกธรรมดาต้มตุนเราอีกต่างหากต้มตุนพคตกงเงินคำทรัพย์สมบัติของเราอีกต่างหากเราจะมีความรู้สึกยังไงในเมื่อเขามาโกหกเราเราก็เสียใจเมื่อเราไปโกหกต้มตุนเขาน่ะเขา คงจะเช่นเดียวกันกับเราไม่แพ้กันนะอันนี้ก็คือศินข้อที่สข้อที่ห้าสุราเมรยามัชณฉ พ, พมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราแล้วนะอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหมอหรือว่าพยาบาลอย่างนี้ถ้าไปดื่มเหล้าในเวลาคณะทำงานอย่างี้แล้วคนไข้ที่มารักษาพวกเราที่เป็นคนไข้เราจะไว้ใจไหมนะเราก็คิดดูกันแล้วกัน ไว้ใจไม่ได้เพราะหมอพยาบาลขาดสติในการปฏิบัติงานนะอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราทุกหมู่ทุกคณะก็เหมือนกันคนเฒ่าคนแก่ก็เหมือนกันถ้ากินโุลาเข้าไปดื่มสุลาเข้าไปแล้วพูดผุ่มผุ่มคำคำดาลูกดาลาไม่มีเหตุไม่มีผลพวกเราจะน่าเคารพนับถือใหม่เพราะคนขาดสติคนขาดสติสามารถที่จะทําความชั่วได้ไหลายๆอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าสีตีสงได้ทั้งนั้นเพราะคนขาดสติ ขโมยของคนอื่นก็ได้ เ, เพราะว่ามันขาดสติละลาด ล, ละล่วงสามีปัญญาคนอื่นก็ได้เพราะคนขาดสติโกหกก็ได้ยิ่งเร็วคนขาดสติโกหกเร็วมากเพราะฉะนั้นสิ่ของของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราคิดดูแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อประเทศชาติอย่างมากเพราะฉะนั้นพวกเราเควรจะมองดูสิ่ง ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้เพราะนั้นโมรํมโบราณน่งเมื่อเห็นพระสงฆ์มาแล้วท่านจะให้สมาทานสินถึงจะรักษาช่วคู่ช่วขณะก็ยังดีก็คือสินรักษาชั่วช้างกระทบหูชั่วงูแลบลิ้นก็ยังคือสินนี่คือยังเป็นคุณงามความดีอยู่ถึงจะนิดหน่อยก็คือคุณงามความดีเพราะนั้นพวกเราที่มารับศิน อรับสินไปแล้วไปตบยุงไปฆ่าลิ้นไปฆ่านกฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่ก็คือในช่วงนั้นก็ขาดสินแล้วแต่ขณะที่รับสินก็คงจะขาดสินในช่วงนั้นก็คงจะยังไม่ถึงขนาดนั้นก็ว่างนะถ้าขาดคงจะไม่ขาดพร้อมกันตั้งห้านะถึงยังไงก็ให้รักษาสินเมื่อรับสินจากหลวงพ่อยินไปแล้วก็รักษาให้ ข้ามวันข้ามคืนจะเป็นบุญเป็นกุศลมหาศาลในหลวงพ่อว่านะความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นคนที่มีศินแล้วเกิดพบหน้าชาติหน้าก็าอันนี้สงสีนคุ้มครองมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขถ่าว่าคนไม่มีศินแล้วเดือดร้อนน ะ, ะคิดดูก้าแล้วกันคนขาดศินมากๆนะตอนนี้ไปหลวงพ่อกล่าวเรื่องศินให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษานะให้ได้ฟังได้ศึกษา ถ้าว่าไม่มีพระพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมใชเลยนะพวกเราก็ไม่รู้นะเอาต่อเนี้ไปตั้งใจสมาทานศีลนะโมตัสสะปะโวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุตตะอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภกสัมปท า, าสีเลนะนิผุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย มือว่านหลวงพ่อก็ออกจากวัดพวกเข้าโบหงจกวัดกิดจจวัดเือว่าหลวงพอมีดทุลายอย่างแต่ละมือแต่ละเว้นหลวงพ่อ oh. ขั้นทาจะว่าไปแล้วให้ขอสาธิตท่องกันทร์วนะแบจับแม่งาน ย, านายันยนต้องแมงยันอะไรัป๊เปนตะปูวันหลวงพ่อก็อยังไเลยว่านะปบแต่ละมือแต่ละเว้ น, น, นวันปบจังมือว่า น, นี่แหละเดินหลวงพ่อที่เราให้ฟังนะ ว, ว่ากิจจวัดของหลวงพอมีอย่างไร เมื่อว่านนี่หลวงพ่อตื่นเว่าแต่ตีสี่วันแลไปเตรียมตัวเลยออเดินทางตีห้าไปพอดเมืองขอนแกน่นแจ๊กโม่งกว่าไปพอดไปฉันอยู่โรงพยาบาลศูงขอนแกน่นวันล้วไปโร่วมพยาบาลบ้าไงเลยนะไปทางผ อ, อ, อทั้งแพทย์ทางพยาบาลมาคอยหลับหลวงพ่อก็ได้หมอบเครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์พาตัดข้อพอก พวกเข้าเห็นตัวบหน้าคตใหญ่นเรื่อเครื่องมือตัว น, นั้นแหละที่หลวงพอบอไปร่วมพยาบาลศูนย์อุดรเครื่องหนึ่งวนงไปราคาล้านซีตัวนี้นะจู่ร่วพยาบาลศูนย์อุดรบาในร่วมพยาบาลคอนแกนบัญชกำไรบ่ายหลวงพอ่อก็เลยรวบรวมซัดท่าอีกวันหนึไปหาโร่วมพยาบาลอุดร อ, อีกเครื่องหนึ่งเครื่องที่สองวนงไปเครื่องหนึ่งเมันบพุพเพใส่ถน ง, งพ่อเลย คนทะลกเขอมาบันเนี่ยจากไปเตาไปก็าเห็นเครื่องมือดีหมอก็มั่นใจวันไปตะกอนเน่หมอเ็นบ่มมั่นใจเป็นไหนได้พอผ่าตัดมันใช้เวลานานพอดพ่อผ่าตัดก็นทว่าข้อนไปพวกเขาก็เหมือนเขาตัดข้อไก่เลยเราเสื่อมข้อไก่เลือดตายข้างกนวันไปข้อคดมาจ็บนั่นพ่อเจาะเข้าไปนี่ยเลือดเนี่ยฮึม้วนเลยไปหมอมันตัดหมองแม่เลอปาดข้อวัไป พ่อโตมาใ น, ในเครื่องมือตัวนี้คือมาสตหล็อกพอหายไปเนี่ยเป็นเครื่องมือดอวยพาตัดด้วยความทีสูงวันหนึ่งไปพาตัดด้วยเครื่องไฟฟ้าความทีสูงพ่อตัดเข้าไปในเส้นเลือดน้อยเนี่ยมันจะแม่นที่พอได้วนห่งไปมันจะหามเลือดไปในตัวเลยวันนไปเลือดทบ่ออกเพราะนั้นบมอกับทั้งทีจะทำพาตัดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยพาตัดเพียง2ี่สิบมนาทีก็ แ, แล้วแหละเพราะนั้น เด็เครื่องมือตัวดีมากคนพาตัดเดือนหนึ่งได้ไปเก้าสิบหาคนคนไปหลายปันนั่นเองไอ้หลวงพ่อก็เครื่องมือที่หลวงพอ่อหาไปเนี่ยเป็นที่หน่าภาคภูมิใจอย่างมากานี่ยบ้านนี้เลยเขาขออีกคนไป บ, บุกข้อใส่หลวงพอ่อแล้วทั้งน้องไข้ทั้งจังหวัดเลยทั้งผู้ด่อนพวงเฮ้ากัท่านพวกข้อโตทั้งหลายนั่นลั่งเขามาพกพอประ ก, กาศไปได้มีเครื่องมือขึ้นมากเลยบานนี้คนก็เลยมาพาตัดหลาย ขันเป็นไปได้กต่ยังได้เครื่องที่สองพอมอีกแล้วหลวงพ่อแต่หลวงพ่อก็เลยควักคุ่นควักพี่ก็ได้จากองค์ขมนตีเออเพิ่มมากเพิ่นก็เลยหายอีกเครื่องหนึง่งหมดไปแต่พอเครื่องหนึ่งหมดโมเนจะแตพาดข้อตโตเลยผ้าดพวกเออช่วงอกมาเล่นหลยย่อมผู้หญิงเป็นมาเล่นทีช่วงอกเนี่ยพราเขาก็ตรวจคบแล้วก็ตัดออกโดยที่ว่าบ่ให้มาเชื่อมาเล่นกระจายมันลงไป เนื่องว่ามันหลายอย่างม่เขื่อนมือตอัวนีวนไปเอ้หลวงพ่อเห็นความจำเป็นที่สำคัญกันสันได้ก็เลยให้อุตรสอนเครื่องบัดนี้เมื่อคอนแกนบนัดนี้ลงพยาบาลศูนย์มาพบหลวงพอ่อไอ้หลวงพอ่อพวกผมขอทั้งสาปีว่าทันใดได้เขื่อนมือจะเนียว่านเอ้ท่านเป็นไปได๋ให้หลวงพอ่อหาให้ผมเลยทอนมาท่นเลยเอ้าเอเอเอมือม่อมื่อที่ความจำเป็นมีความนั้นหลวงพ่อก็เลย ฟักเจี๊ยตบเสาปอใส่ตบปอขวาวันนั้นไปเพื่อหาเงินวนไปมาได้ปั๊เป็นไปได้อยู่มั้งวาก็เลยไอผู้ไขาเครื่องมือนี่ยเขามาวัดเขามาวัดหลงพ่อนี่ลแหมมากครับหมอโรงพยาบาลสูงหดอนเพราะเขามากเขาเขาเยอะมากนี่แหละทังโรงพยาบาลสูงดอนเมื่อนั้นเขาไอหลวงพ่อสั่งหนึ่งเครื่องพ่าตัดด้วยความีสูงนี่แหละตัวหนึ่งว่นนั้นไปราคาล้านสี่วันนไป และก็เตียงให้โดล็กอีกยี่สิบเตียงลากข้าวหกหมื่นเงินไปยี่สิบเตียง6กหมื่นหนึ่งพูดมโนวนไปและก็สา 30, มสิบเตียงอีก30สิเตียงเตียงพาวเวอร์แบบแบบหมุนนวนไปอันนี้หลวงพ่อก็สร้างมือ น, นังไปอันนีนพอเหมอกันกับผู้ที่ขายเครื่องผ้าตัดท้อทีสูงเนี่ยเขามากหลวงพ่อกับธรรทชาี่คุยแบบตาเหลา ตาเหลาบัดหัวไส้จะสื่อสร้างงไป mm. พวกเขาก็จะบุเขยตรงนี้เ่มัอนตาเหลาตาเลาสื่อสร้าง mm. เอ้ยไทยเมืองโซดินเขาสร้างเมา้าไปเซฟกัวตัวลงไปมัดจับหลาไปเขากมาเนี่ยนะออกมามาหาทำงานมาอย่งางในน่นตาเหลานี่ไ ป, ไปในบ้านนะครว่าหาเขาสิกรหมอเขาว่ามีอยู่ลงไปเอ้พว mm. กคนไปแต่เบา nhẹ อยูย่ลงไไปก็ทาท่าเมื่อคัดหลังย่างเบิ่งฝุ่นสางลงไป สร้างตอนนี้ขายเท่าไรคนผัวเนี่ไอ้พวกมูนี่ว่ากำศกำปากอย่างอย่างหัวไหลมาหน่อยไปเออเพิ่นถามเพิ่นจิตต่อสิสร้างมนไปเออตัวนี้ราคาเท่าไรตัวแม่ลูกนี่เด้อ่นาถ้าขายมัดทิเท่าไรคนาเออสองตเนี่าบ้าได้ถามไปทั้งมันมดทั้งฝูงนี่ยคนาสิขายเท่าไรคนผัวเด้อคนเออตาลาวตาลาวจ่าสิสร้างมัดทั้งฝูงน่อไป ทั้งที่เขาสิเกาะหมอกเขามีอะไรพวกท้ายหัวกันมดลงเขาบจ้างแล้วคนไถไก่หมเขาวันไหนอยที่ไหนปนนเขาก็ว่าแว่าเนี่นก็ตอร่องเขาเราไปเออทนันแสนสิบหมื่นได้บ่อคนฟัวเออทั้งทนายหนี้ห้อ้ที่ไหนปนน้เขาก็ว่าแต่วขาเนี่ยคนขีตัวเป็นคนน่ะบาาท่านเองลงพอกัเออถามเขาบ้างหน่อยเอ๊ะ ถ้าว่าสองเครคื่องเนี่ยคนว่าได้บเอ่อสองเครื่องนี่เท่าไร่คนว่าได้หลวงพ่ออิ่มถามเขาอิ่นไปเออถ้าว่าของสองเครื่องเนี่เครื่องละลานไดบท่านี่เอออันนี้มันเครื่องละลานล้านซีนี่ว่ถ้าว่าเครื่องเออถ้าว่าสองเครื่องนี่สี่รถห่าลายป็นไงสีได้บเออเครื่องละลานเขาก็โทศัพทับจิ้งไปหาบริษัทเขาเลยไปโทษจากวัดหลวงพ่อหน่อยพอโทษไปแล้ว่ เขาทั้งหมบอกมาเลยบอกว่าถ้าจะเอาจะรถให้เครื่องละแสนเนยคุณเนยโมเป็นรถโคดังคนนี้เลยเครื่องมือแพทย์ันไปเครื่องละแสนขั้นที่เอาเดี๋ยวเอาสองเครื่องนี่ใสีหล้านสามาเเยสองเครื่องมาบานาสนไว้บานนี่วะเออบานนี่ก็ท็อปปาใส่ไปคว้าป้าน่าจะเป็นไปได้อยู่มั่ง้านสามเ่วะวก็เลยโทษไปหาคนแก่ พ่ไปหาโรงพยาบาลเขาอีกอวันไปเซียววันวะยืนกันเซียบอกเครื่องโว้ยก็เอาได้แล้วสันเด ย, ย์มออย่างได้ยุ้ อ, อสันขอมว่าสมปีลงคอนเดเออเอาตกลงให้สันเดลงคอว่าเ อ, าอหองหก็เลยหาสัทายาญาติโยม เ, เขากบยืนเมือ่อเขามาซอยลงคออีกคนไปเด็กก็เลยสั่งเลยวันปสองเครื่องในเมื่ออุด อ, ดอนเขมาแล้วะ มากมาก่อนแล้วก็เมื่อค้อนแกนมากะม่าณสองอาทิตย์ลงพอกัห้ใไซเลเดอร์่ะมาหอดแหละนี่หละลงพ่อไปมาว่านไปธุระเด็ไปมอบเครื่องมือตัวนี้แล้วน่ะไปแต่ยังพระฤาหีใจเด้เบรสงวนลิเก ษ, ษ, ษ, ษ, ษ, ษีทพวกเข้าสีมากไฮม่านลงพอยผู้ละบุนผู้ละแสนก็นายโยนไปเออเสียไปซื้อเครื่องมือตัวนี้นไปขั้นเงินเหลือใสวะเออขั้นบปมีกับโบวากันนะวะเออเนี่ะอันนี้คเครื่องมือแพร ออกจากหันกับมา้าร่วมพยาบาลสีนัคเล่นได้บ้านรงพยาบาลสีนคเิ่นที่ลงพอไปเป็นหัวหนา้าเป็นหัวหน้าใจาเงื่อนอีกคือเราเนาะว่าเมื่อปีที่แล้วนี่โร่วมพยาบาลสีนัคเล่นเขาสีง่ายตึกสงอาพาธจากชั้นต่าขึ้นไปอยู่สั้นซิปตึกสมเด็จยาถ้าพวกเข้าไปเดี้ยวคือร่วงพยาบาลหลังไดสูงกว่ามูแม่ละหลังนั้นอ่อไปซิปเสั้นบ้านเองเขาจะให้สั้นที่ซิบ้านเอเขาจะให้เครืองนึ่งงวดอไป ชั่นหนึ่งนะไฮเพิ่มเดียวหลวงพอก็เลยท่านหนังสือไปถึงคณะบดีเพลนขอทั้งสั่นเทิ น, ว, น ว, ว่าพระพสุงในี่ภาคอีสานนี่มากมาย อ, อยากจะได้ให้มันเป็นเอกเทศคือพาวินัยของพระสงฆ์นี่คู่บาอาจารย์เพ็นบ่กะขาร่วงพยายบาลก็คือภิกษุนอนในที่ม้งที่บางอันเดียวกับผู้หญิง แม้คืนแรกต้องปายตีตีเนี่ยหือนอนกับโยมคุยยิ่งบัวไรได้ในสั่นเดียวกันขนาดจุ๊ดเลี้ยองคนละหองก็ตามที่มุ่งที่บังอันเดียวกันนี่นอนบัวไรพิษวินัยแล้วก็ น, นอนที่มุ่งที่บังอันเดียวกับโยมผู้ไส้เกินสามขึ้นขึ้นไปกับเพชรอีกเพราะนั้นเพิ่มยิงบัวยากเขามาล่วงพยาบาลเป็นทริปสินของเพิินเพลินรักษาศินของเพิินเพิินก็ดเรื่องบวจากเขามากเพราะนั้นถ้าเป็นไปไดนขอทางสัตว์ทอดข อ, ออ้อย่ะคณะผู้ดีอะยร่ะ คนก็เลยไปชุ่มกัน่นเลยยกไห้ทั้งสั่นในบานนี้ในทั้งสั่นนั้นกวางๆพันเจ็ดรกว่าตารางเมตรคนลงไปบานในพยกไห้แล้ว่นวแล้วจะลมฟอแตงเอาเรองอะไในบานนี้นี่ล้มอยิแตงเอาแบบเรกอะไรท่านโอ้โทวันพยกลห้เลยวันนไปแล้วจะคณะสงฆ์ารจันทร์ตกแตงมาสั่นเงื่อนล้มพันยบาลมีเงินอนโยล้านล้านส่แสนกว่าทนบานในพกเข้าก็เลยมาคิดโตเลสการบานนี้งบสิบกว่าล้านบาทนี่อ มาไปชุ่มกันสองสามเธอไปชุมกันอยูุ่ฝนในวันไปชุ่มอยู่นี่เนี่ยจุสีนี่กระลิ้นกัประชุมมาในไฟผ้ากับลุงคอเป็นหัวหนาวลงไปตามม่จิงลุงคอนี่ยตามมิจิงเจ้าฟ้าเจ้าพุ่นเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดทั้งภาคอีสานตั้งแต่โคราชถึงมานี่จักจังบวัดกับหลวกเฮาว่าวันนี้แย่ใจในวันเี่ยลุงคอยืนเมื่อเข้าไปเขาก็นออกแขนมป็นตัวแบบเนี่ยเขาวางแหงลุงคอเป็นหัวหนาวลงไปไปชุ่มเลยไปชุ่มอีกกัน ตคลงกันบานเนีเอาเฮ็ดว่านเฮ็ดบ้านเนางสินไ้านเงนาบ้นค่าใส่ใจเท่าไรบ้ก็เลยสายจะลงสายจะไลกันมาโอ้คอจะตกลงกันได้ผลที่สุดก็เลยตกลงกันได้้หาบริษัทมาเห็ดค่าใส่ใจทั้งหมดคิดออกมาแล้วผมมั่นมาวนม่นรอเปลไปคิดออกมาสี่ล้านแปดแสนเงไปอ ตกแต่งอย่างเดียวเเครื่องมื อ, อยังบท่ันมี่มันไปตกแต่งได้ข้าวตกแตง่งแบบน้เห็นแบบเห็นแบบเี่ยสั้นนั่นเ อ, อไปสี่ล้านแปดสนเงินไปลงพอก็เอาตกลงบัตรจะให้ไค่จ่ายขอบัหรไผ่เป็นผู้สร้างใจหัวลงพอหัวขนาดพอดีแล้ววะพอ อ, อ่บอ่อได้เขาลงปอยู่บัตรบ่มีเงินมั่นลงพอรับก็ลงพอแล้วเป็นผู้ใจสัน่นวายว่ลงพอก็เอา กันวา ใ, ใจกระจายเท่านั้นละ ว, วะเอาหลวงพ่อเป็นหัวหน้าวะหลวงพ่อจะเป็นผู้สั่งใจวะหลวงพ่อใจง่ายหรอกวะปวธีวัดของหลวงพ่อเนี่ยขั้นกี่อะไรขั้นจะไดนจะเนิ่งวาเอาวัดเขาธนา k ารมันวัดเฮ็ดเลยยิ่งแต่ว่าเอาทีให้ที่น้าเขาธนาค a n วัดนี่หลวงพ่อจะเอาวัดเขาธนาค a n มันรูบัดนีวะอ่าเนาใจง่ายวะก็เลยหลับลับกับนี่แล้วบานกัเส้นสัญญากะหลวงพ่อกับเถ้าแก่เป็นผู้เส้นเอาเถ้าแก่ เส้นแทนหลวงพอ่อเลยวะหลวงพ่อวันนี้เราไหวตะแก่นั่นหอกว่ะอาตมารับเองเลยวะตะแก่เหมือเลยเส้นมันไป เ, เส้นสัญญาเป็นครูสัญญา ก, กับเขามันไปแต่ขมีคณะกรรมการพวกหมอพวกนั้นน่ยหลายข้อมานลงไปอครูสัญญาเป็ น, เ ป, นเป็นพยานเอพอได้โซ่เขาก่อนเอางวดแรกแล้วมันไปเอางวดแรกนี่ยล้านสองแสน เมื่อเดือนเดือนกุมภาพก็เช่นแตญห้าวันที่8ดเที่แปดกุมภาพแล้วก็วันที่สิบกว่ามาหันเขก็เอาเลงยงวดแรกลงไปล้านสองแสนหลวงพ่อก็หาเศร้าแถวนั่นแล้วหันไปที่มันเหลือๆที่วานของหลวงพยาบาลหันไปแถววันนั้นอะหายๆร่วมๆกันหันไปหาไปล้านสองแสนหันไปแล้วก็วันที่ยี่สิบกมีหน้าเนี่ยเขาขอเบิกอีกวันเก้าแสนกคนไปแต่ว่านนละวางหันบัต ในระว่างกันหลวงพ่อว่าเอาประกาศหลวงอจะมาถอดผ่าป้ายเข้าวะ mm. ก็เลยส้งล่มหมอนไปส้มล้มหมอส้รลมแผนเออถูพกพวกขายยาวันไปเขาก็ลุ่มกันมากพัไปมาถอดผ่าปายสีนักขริหลวงพ่อก็ไปเป็นประท่านสูงระพันไปหลวงพอ่อบอกเอาออกตนญาติย่อมพวกเข้าเคยสั่งตะบดสาาั่งสลัดรั่งพระท่าน <ara> ขุดนําบอกอสาราถนนพ้นทางเห่าเขื่อยสางบาานตึกส่งอาพาธเนี่ยมองป่วยของพาพริกซูสงเนพวกเห่าเคยเห็ดบอหรือล่าเคื่อยสางบอเคยเสียสระบอเขื่ยสาระทุนน้ำซับบอขั้นคนในบ่เคยเอาเดื่อเข้านี่เท่กระเป๋าใส่กันวะล้มคอจะเป็นหัวหน่าววะล้มคอนี่ยเห็นมันี่แหละเป็นกอง ป, ปุ่กองกรศสนอันยิ่งใหญ่พอพูดใหเจ้าคนบอกไว้แน่ว่าพคนว่าผู้ดใดก็าตามปฏิบัตถถิพิกซูไข่ ก็เหมือนปฏิบัติเล่าตถาคตพวางสั่นในในพระบาลีวะเพราะนั้นพ่อไดปฏิบัติสู้ไข่รือคือปฏิบัติพระพุทธเจ้าเพราะนั้นบุญกุศลมหาศาลเน่าออกลนเนี่โยมซอยกันเนอะวะพอ่อว่ลงพอ่อว่จบคอนไปพอดผ่าปามาในเงินสามล้านกว่ามื่นนั่นออไปโม่เคื่อนหลายปันนี่จัเที่ยนเข้าวะไยลงพอ่อโวยหายหวงวะเออ 4ลา8น8เหมืนได้่าขนาดเท่อเดียวนี่ยเได้จนสาล้านทัวร์ละนั่นแหละคือได้มากนั่นแหละคือโรงพยาบาลซ้อนแกนมาเนีกับโรงพยาก็เลยไปสั่งจ่ายมือว่านงวดที่2 9ง0ก้นกคนก็แล้วตแตก่ ก, กับบริวารของคนที่ออกปากว่าที่ซอยตึกสมอาพาธที่ต้องซอยของพิเศษวันนั้นไปคนก็นรวบร่วมได้มือว่านี่โงพยไปรับนั่นแหละ ไปรับทั้งปัจจัยผู้วิถีผู้ถวายพร้อมแล้วแล้วก็เป็นผู้สั่งใจเป็นผู้สั่งใจงวดที่สองด้วยเพิ่นถวายหมื่ว่านี่แ0ดแสนกว่าเลย 8, เพิ่นถวายหลวงพ่อหลวงพ่อก็มอกันแก่รงพยาบาลใจแกร่รงพยาบาลสีนครินมตึกสมอาพาธลงไปยังขาดอยู่ ป, ประมาณแสนสี่หมื่นบอกนี่แหละอันนี้ก็คืองวดที่สองลงไปแต่ก็ต้องเอาเงินได้พันหลักไม่ เงิน3าล้านกว่ามไปยัง่งยังอยู่ได้มันบ่ลัเอาเงินก้อนนะ่ะมาใส่เข้าไปอีกเดี๋ยวในเงิ น, นนะก้อนน่ะไปยูบันยูสีนักขรีน่นี่แหละไปทุลาะหลวงพอ่อกราบมาอีกกว่าบนี่ยใบ า, ามใบสกราบมาแวะ่ ก, กสักอนเออมาสวดมาติกาบังะกุลนั่นดีบ่อย่างอีกมานมาเนี่ยโซ่ศับกหอดวัดสามผงราไปมูอวานหมืนเนี่ยนะจงส่นแต่ทูลละหลวงพอ่อยนี่ยมึเศรา้มามสาโลภพยาบาลอีกนี่อีกสักหน่อยเนยลกอจะไปเผาศพ คุณแม่เต็มีคนลงไปเอ่อทังสั้นแหละทุระพาละของผู้บาอาจารย์เมื่อเองกได้มาพบออกตอนวญาติโนมผู้เฒ่าผู้แกวันสูงอายุวัน ป, ปลอบทําบุญขอให้ผู้เฒ่าผู้แกรักษาสุขภาพให้ดีเนอะเออจริงใดสิมันทีเป็นอันตรายอย่ามหาไซเจ้าของยังหมอคนเนี่ยถามมนุปออ่ถ้าผู้สูงอายุทํากฎปุรีใดก็ดีได้พออ่อนแม่บอก เออนั่นแหละสิพอเพราะอ่อนว่าขั้นงดบุรี ไ, รดไดดีเลยผู้เฒ่าแต่ทำให้ถุงถุงลมโป่งพองมันบกเออนี่พันวาคั้นผู้เฒ่าสู่บุรีเนี่สู่ไปสู่ไปแบบขีดเสลิดมันหลได้ในพ่อถุงลมป่งพองน่ะเออเวลาปิดไข้เป็นวัดมั่เขามาลมพยาบาลไอปรจักเศ้าอไรไสเออขีดเสลิดแตกลงไป เ, เรไปพราะเหตุใดเพราะสู่บุรีเออขันว่างดได้กว่าดีนะ ขั้นสูงขั้นงดบุหรีก็บปว่ากันนะวะเพราะมันงดบุหรี่ให้จากไหนเออแต่ว่าตามสิงทั้งงดไรก็ดีเพราะว่ารักษาสุขภาพร่างกายในอีกอย่างหนึ่งกินเหล่ากินเหล่าเนี่ยถ้าไม่ตับแข็งในโมโหเอานะคนว่าขั้นกินเหล่าคนละผู้เฒ่างดกินเหล่าไรก็ดีเออพ่อให้ตับแข็งนี่แหละขั้นว่ารักษาสุขภาพต้องเป็นสัตว์แล้วก็พ่ให้กินของดิบกินปลาดิบเป็นบอกบอก เอออันนี้ก็เป็นเป็นมะเล่นไงตับเป็นบกเออเป็นมะเล่นตับอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันนี้ก็ให้เระมัดระวังการดูการกินเข้าเถาแล้วพันบกคือผู้หน่อยผู้นุ ม, นะมเด็ดเฮ็ดหยังหน่อยเนืก้กระซูนปลานะผลเด็ดแช่บลาผลร่างกายไ อ, อ้พวกนั้นให้รักษาสุขภาพผู้เถาผู้แก อ, อ, อย่าไปกินของดิบของดายหาอผอมเป็นเสื อ, อยับเสือโคห่าเป็นเสือเถาเสือนัน่ง เ, เสือเที่ยวบุษเที่ยวดากินยังตกรกินของสุกให้มันสุกตะกอนตกให้มันสุกตะกอนยังค่อยกินขันว่าข้ากินของดิบคลองใดสุขภาพร่างกายของขา้าวเชือโรคมันมียุทธหันมันเข่าไปซ่อนตับซ่อนไตของข้าวซ่อนใส่ซ่อนออหยางของขา้วขาวผัวข้าวเคยเห็นกินของดิบออกไปเลยให้กันใดตัวตื่นตัวตีตียังมันออกมาจากทวารของข้าวมันนักเกลียดจิ้งไวกิ่งอีกเพราะเหตุไรเพราะกินของขนน ด, ดิบ เพราั้นสิ่งมูลีให้เข้ารักษาสุขภาพเรื่องผู้เต่าผู้แก่เหล่าหนึง่งบุรีหนึ่งกินของดิบนึงนะให้รักษาสุขภาพ <S <S ขันาา้นหัววัดเข้ารักษาสุขภาพเข้าดีแล้วเข้ากับบ่มีเงื่อนที่ท้องสีมาใส่มาใจในการรักษาสุขภาพถาว่าเข้ารักษาสุขภาพพอดีเข้าก็ต้องเสียเงินเสียท้องมาหาหมดหาหมอแล้วรำไปเพราะนั้นให้รักษาสุขภาพ ผู้เฒ่าผู้แก ร, รักษาสุขภาพร่างกายและก็พร้อมกันยาลืมย่าลืมรักษาสุขภาพจิ ต, ต, ตไปเลยสุขภาพจิตนี่สำคัญจําเป็นด้ค่นว่าเข้ า, ารักษาสุขภาพจิตดีนี่มิเตคิดกลุ่มหลุมมิเตโม้โทโศโกท้ทาเครียดเฉพาะหนันเครียดในมติลกงอกแกรกเน็เครียดให้ยีลาเครียดให้ยีหนันเครียดให้ฟัวบอก เครียดในหนัวอีนั่นอีนี่โลงจากบ้านจากเพื่อนคือกระตาลก อ, กกาาาอกงอกแหลกแง่คนไปเออบาดทะละเขาเจดีว่ามันออกงอกแง่กลับขึ้นบปอันนั่นแปลว่าผู้เฒ่าพี่อารมณ์เครียดวนออกไปนิสัยเครียดนิดสัเยเสาซึมบอดีได้ในีเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ต้องมีจิตใจอกอ้อมอาลีนักแน่นวนออกไปเออสมัยกูเป็นเด็กหนุอยกูเคยเหตุจังสี่ล่ะ <c oughs> คือว่าจังสันคือปังจบของวนออกไป ขึ้นบางจกของจังงพอขึ้นกันเน้ทางเทือหาเขาฟูฟูฟยเฟวเวบวชหายป้ายนี่แต่ก็บังขึ้นบังจบของอยู่นไปก็ทําทาหายนั่นว่าหายนันกับ่าใดวันนั่นไปแต่เคยขึ้นบังจบของเออสมัยกูเป็นเนี่ยน่อยกูคือจังสีแหละพ่อต้องพอบวชแต่เน่นหน่อยเด้อายุตั้งแต่11บเอ็ปีขึ้นบังนุบววชแต่ปี2500รอยแล้วก็บวชเป็นภาะปี08ปีนี้ก็าิพวกเข้านับขอมือได้เท่าไร่ เนีหลวงพอ่อฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนานี่นั่นปานั่นแหละเอาเป็นแบบเนี่ยยนั่นพนนวกเข้าทุกคนนะใ ห, ใหะ้รักษาสุขภาพจิตจบของให้ดีเนีออรักษาสุขภาพจิตในขื้นใหญ่ขือไหว้พระก่อนรับก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วกระทั่งนางพวนาพุทโธพุทโเอเนีก่อนรับก่อนนอนทําใจให้สบายเนี่หลวงพ่อสิแจกซีดีให้ฟังสักกันนึงนะเมือ่อวานนะ การปุ่นใดมีสีดีมีแผ่นสีดีฟังนะให้ลูกเขาสื่อให้เปิดเที่ฟังเนี่ยเปิดสื่อสีดีฟังก็เเครื่องนึงมันก็บแพงนะเนาะก็แกะรอยบาทเท่านั้นหละทมือเนี่นะ เ, เครื่องฟังสีดีเครื่องฟัง M P3 นะเข้าสื่อละเคร่องแหงสื่อหลายกว่านั้นคยคลิกมาจาัด่ใดแล้วงไปสื่ออ็มทีสื่อเครื่อง M P3 มีาฟังเทียดหลวงพ่ออนนี่ยิย่งจะมีประโยชน์ทวนไป แล้วก็ฟังกั้วบ่นผู้เฒ่าผู้ผผแก่ฟังเรื่องอันฟังเรื่องนี้คิดใจของข้าก็จะได้สบายมีศีลมีธรรมในจิตในใจแล้วก็มีนิทานเรื่องนึงได้อยู่นี่มีนิทานเรื่องนี้กันองไปค่อควายเป็นอย่างบมมีแขวทั้งๆกันไปเข้าสังเก ต, ตุ พ, พวกเข้าขคึ้นจังเห็นควายบวมมีเข่าทึ่งๆเป็นบัวะมือดันโลงพลบินเท่าไห่ยางมาม า, มาเห็นยางพานไม้ ทานบัตรไม่ถูกนอนไปแล้วไม่ถูกหน้าข้า ง, ขางเขาไปเปลี่ยนควายกินเฟือกหมดลงไปพอกินเฟือกเลยตัวหนึ่งมันมันผดมพื้นมันไปดลมยังก็บโปงหูอะดมเยียวมดยังกระโปงหูเราควายไปพอมันดมแล้วมันเห็นหนาขึ้นฟ้าเยเนีมันเห็นหัวเราะมดลไปลงพอก็เลยเห็นเขียวทั้งเครงมันโบมี่หมดลไปโอ้พวกเขียวทั้งเครื่องบบมีได้ฝ้ายดีวะก็แต่เขียวท้างล่างท็่ขาวแกเสาไปทัางเครื่องโมีแขียวไป หลวงพ่อก็เลยลึกถึงนีท่านเมืนกันีท่านเก่าแก่เออค้นบวร่านโอ้ฉลาดเอ๊สีสอนคน้นขั้นสี่สอนซื่อๆโอ้ยเทานั่นเทานี่มึงอย่าจมนะมึงอย่าวานะจมดูหลายบอดีได้เขาตีแกว้วได้ไงเออมันเ็สิ่เขียดเป็นบบลาณค้นกันสิเเขียดบัดนี้ค้นบวร่านเขาก็เลยแตง่งเป็นนีท่านขึ้นเมา้างไปเออสมัยสางโลกใหม่สางโลกใหม่เออ แต่งแต่พระ ญ, ญาแถนสางโลกไม่กันคือกรรกับศาสนาคิดเขาแย่งก่นกอนอาดัมก็อีดบอกเออนั่นแหะแบบนั่นแหละบานนี้ก็พระ ญ, ญาแถนสางโลกไม่สางโลกมากตอนปั่นปั่นนกโกคนออกไปปั่นนกเข้าพอนำไปพอปัน่นคือมั่มบอท่านแล้วดีวนกเข้าบินจุดไปนั่นไง โอ้ยปั่นบัท่านเลวคัะขีได้นกตนั้น่นกู้ิตั้งซื้อมาจางไหนนะเอากูตั้งซื้อนกเข้าพวดมานี่ก็ปันขึ้นมายอกว่านี่เห็ดหัวมันใหญ่ก่าหนอเห็ดศพมันใหญ่เกียเงาหนเอาไปบท่านแรีวค่ะบ่ท่านเบิ่งท่านบินจุดไปก่อนก่นไปโอ้ตายตัวนี้มันหัวใหญ่่นกูสิตั้งศพศพเนใหญ่โคตรกู้ิตั้งซื้อว่าไเอานกโบุน เออเนเรานกอกนเขามันเป็นมาสัย์เลยแต่พญ่าแถนตั้โลูกไม้เอาไปเอาไปมาปั่นสานปั่นหุ้งัวปั่นตัวมาปั่นหัวปั่นควายปั่นโค่นปั่นอีหยังต้องปั่นอีหยังบันนี้ยบานให้เนื้อทั้งหลายแล่ท่านี้มาพบใสสากมันไปเออพญ่าแถรมือมันไปพบใส้สากปั่นไปปั่นมาเป็นสากมันไปเออเบิ้งสางนู่นน่ะดั่งมันกับโบขึ้มู่นี่ทำไมทำไมช้างจมูกยาวไปเออ จมูคของสร้า ง, งมงนนาันเน่าคนข้นเข้าอันนี้ก็คือคนบัวรานเขาแต่งเป็นนิทานกั น, านมากพ่อต่อมาบา น, นี้ อ, อบา น, นี้พ่อสร้างกับข้นกับข้อกับควายกับนกทั้งหลายมาอยู่ด้วกันบา น, นี้มนุษย์ของเข้าเนี่ยหัวแหลมในบานชอบเอาเปียกมูรอรมามนุษย์เนี่ย เ, เวลายางเบิกหัวเข้าบิ้งาะยางหัวสี่ขึ้นฟ้าเด้มนุษย์นวน ไ, น, ย น, นไปจัดเอื่นเนี่ถึงจะสองขาไกลจริง ยางไปเจ้างหัวดอยตามดีมั น, นไปมนุษย์ถึงหัวสีขึ้นฟ้าไปว่ามนุษย์ถึงหัวดีกวัวมัวมันไปหัวแหลมมันไปแต่คนถึงหัวแหลมเนี่ชอบเอาเปรียกมูเนีให้เข้าสังเกตปุปังนะกั้นโพดไอหัวแหลมปี้ปัญญาเนี่ชอบเอาเปียกมูคนที่มีปัญญาค น, น, านไปมีความเ อ, อื้อเฟื้อเอื้ออริมีน้ำใจต่อเพื่มนุษย์ถึงหาได้ยากค น, น่ไปโดยมากคู่มีปัญญานี่โดยมากเอาเปียกมูเนี่ ไอ้เอาเปรียบต้องเขาทีพวกหูลไปมองเขาโง่้วเอาเปรียบมองหันหลังมันลงไปคือนักกฎหมายขึ้นกันกฎหมายท่าเขาหูน้ากันเอาเปรียบกันอะไรได้คันว่าคนได้บุกมองได้บุกเขาเปรียบมองหันแบบนี่แหะอันนี้คือมนุยพ่อต่อมบาไปบอลละเรื่องซีนงวนนนไปบานนี่พอมาอยู่น้ากันบานนี่นุษดเ็เ็ดเป็นมูกรันเห็ดเป็นมูน้าสาเห็ดเป็นมูน้ำงอน้ำควายเอาไปมาเห็ดบาสัตวมันงอคอจะของเเอาเปรียบเขาไป เออเอาไปมากข้อระมันบักสร้างให้มันอยูไปตีให้มันอยู่นไปโยแหละมึงตอนทางานในกูได้ผลไหมเออก็เลยเอามันสาบลากสร้างลากใหม่ลงไปบาท่านี้กัจับซัดเล็กซัดหน่อยมีคนไปอ้าวไก่สัตวนี่ให้มึงขันย่ามในกูนะผมว่าเออให้ไก่ขันย่างให้คนไปเออต่อมาเอาหมามึ่อเฝ้าบ้านนะอ้เนี่มึ่อต้องเข้าข้นไเวลาค้นมาก อ, อบาดเี็แมวให้มึงรักษาหนูนะรักษาบานนะอย่างไมาให้มึงไล่จับเขาเออเลี้ยงแมวไ ว, ไ ว, ไวไว้มันเห็นแกนตน่ตัวเลยมันุนูตัวนไปเอาไปมากกว่านี้มอหอดงัวควายไวไวพ่อง้อกับควายดีก็ะใสงัวควายไว้ไถให้ไถหน้าวไวไวเอาไปอ่พ่อจากนั้นไถหน้ากอถึงหน้าน่าไถพ่อไถบาดไหมันปักไถลงเลิกกันง้อควายมันห้องได้ไหมโอ้ยนักเตะอะไรเนี่เออ ยกไทยเขินวนไปเอ้จังหม่าวนไปม่ามันแหลนไว้สาหรับคีวนไปเนี่ยมัวนไปเบิ่งมาทุกทีมันบวชจมันไปเข่าทึ่งๆมันมีดเล็ใหญ่ด้วยกันเนี่ยมันมีเข่าทึ่งๆทางใต้ได้มาเพาเหตุใดพอมันบวจมบวาไปพ่นคีหลังมันก็แลนแกลนหลทนไปแต่โง่กับค่ายนี่พอปักไทขคือมาเนี่ยนักแอะหัวเอข้อไรโรกหนองเลือแล้วหนองมันเลือดโคตหัว เออบาแล้วจมเศราจมแรงจมไม่าเหตุการณ์เหตุการออกไปยังจมมนุษย์นี่เอาตะเปรียบโม่อะไรเอาตะเปรียบพวกเขากินไม่แต่กินของดีๆยู่แบบดีๆอะไรเนี่ยง้อควายวาไปตั้งมุ้มนุษย์นี่แบบโมโหได้มันบ่เลยใส่งานใส่การมันกิไม่แต่จมบาดนี่มนุษย์กัถอดแอกน้อยมันถ้แล้วองไปมันเป็นอย่างมันยังจมเทวะสันเตีปากควายครับตีปากง้อเลยไปแขวทั้งทั้งล่นมัดล่นไป เออพ่อล่นวันเดอคนยิ่งกำาพา์อีเดคันมื่โจมเมื่อวัอต่อไปกูสิตีอีปากล้มแขวลทั้งไตอีกคนว่าเดอตั้งแต่มื่นนั่นมางกง้อกับค่อยก็เลยปากโบปากแล้วต่อไปเออโบปากมาได้ในคนกำซาปได้มนุษย์เมื่อขึ้นบังแดดเป็นหยังกูเหตุไทยเหตุหน้ามากกูก็เอามันหยอดเอาเต็นปลายมันคืบเดียวหนึ่งคน ทั้งต้นทั้งลั้งกูไก่เมื่งทั้งมัดนี่คนไหวเลยเนี่ยมนุษย์คนเห็นแก้ตัวเลยแต่ว่าเฟืองในค่อยมัดกับงัวงไปเพิ่นเอาแต่ยอดมันคึ้เดียวหนึ่งคนไปนี่หละเ่ะมนุษย์เพิ่นเห็นแก้ตัวเป็นสัตว์อ่ตั้งแต่บกัดนั่นเป็นตนมากง่วกับไข่เลยบปากโบจ่าตะปางผุนเฮ็ดยังนักปันได้กระลับตาพ่บพิบอยู่ซีน่ไปไอ้คนตีมันซือยอนไปน พ่อคนเค็ดมันหลับตะปางพุ่นไปแขวะทั้งเรื่องมื่อส์เลยแล้วมาหาทางไตเขาจะตีแขวะทางไตเแขวะทางไตหมดอีกอมันไปนี่ท่านเรื่องนี่สอนให้ลู่วาคนโบาลานเขาสอนเนี่นี่ท่านเรื่องนี่สอนให้ลู่วาคนโบาลานสอนยกสัตว์เป็นตัวอย่างเกิดเป็นคนจะไปจมไปวาหลาเนีเป็นผู้เถ่าผู้แกจมเสาจมแหลงพุมพุ่มพ่อมพ่อนลไปเออขั้นจมดูหลายวะไรเนียเดี๋ยวถึกสันหนิด เออถูกสันทับพี่วันไปเออพ่อไอ้นั่นที่จมสีว า, านเนี่ยคดให้ดีใจใจให้สบาย บ, าง บ, บยังคอยหอกผอบจนกว่าจะคอยจมค่อยว่าขั้นจมดูหลายก็เป็นทีลำขั้นของลูกของหลานให้หลงพอวาเออมีตกต่างพวกเออพ่ อ, อ, อ, อ, อพนั่นพวกพวกพวก่อตู่แพทตาทั้งหลายเลยเออต้องสำรวมต้องระวังสำหรับลูกหลานขึ้นกันน่ะ เหตุกับพอกระแม่ก็ต้องเบิง่งขึ้นกันนะ่ะท่านพอแม่จมดูจมไหลเลยก็บอกคนซ่าละอีกจกังนึงเป็นอย่างคนยังจมกับเบิ่งเจ้าของอีกลูกร้านก็ต้องเบิ่งเจ้าของอีกว่าผู้ขาดเหตุคิดตพอพอแม่ยังจมอ่าพอแม่ยังบอกยังเตือนพอพ่อแม่เนี่ยเป็นกระสอนอยากให้ลูกในเต่าเป็นคนดีนั่นแหละคนยังบอกยังจมไลงไปอันอนี้เขาก็ต้องเบิ่งเฮ้าขึ้นกันต่างคนต่างเบิ่งเจ้าของนั่นนะ่ะ ผู้เฒ่าผู้แกกับเบิ่ง เ, เจ้าของลูกหลานไกน่เบิ่งเจ้าของคันต่างคนต่างต่างคนตาคน่ตางเบิ่งเจ้าของความสงบลมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวคานว่าต่างคนต่างงอกไปทา้งหนานี่ยเออว่าเจ้าของดีอยู่พรานันบ่ได้เดะต้องเบิ่งเจ้าของโอพนายิกูเบิ่งเจ้าของอยู่เสมอนะค ว, วามสงบลมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดในชุมชนและสังคมในพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของพัวเข้าเออเมื่อนี้ก็เดบอเรื่อง เป็นการก้าวเตือนพวกเข้าสุขูมสุขคนนั่นแหะอย่าไปจมไปว่าอย่าไปกินเหล่าเม้ายาจะไปกินของดิบของใดยอย่างที่หลวงพ่อได้ว่าเนี่ยขันธ์สุภูรีคันธ์โ ง, งนใดกว่าดีนะอันนี้ตรงพ่อบอกว่าเป็นรักษาสุขภาพหลวงพอ่อเด้เป็น ก, การสุรักษาสุขภาพของพวกเข้าสุขูมสุขชนนั่นแหล ะ, ะข้าราชการข้าราชาหมอบอกว่าทำทาเทียงหมอเลย แกมากไปแห้ง ก, กินมากไปแห้งบมเห็นเป็นยังหอกเนี่บาดฮาไอ้ฮอกฮอกฮมากขี่สเสจแตกมากมันก็ซ้อมาหาหมอได้เป็นหมอพอหลงลงหลงไม่ใช่ลุงสู่บุรีบอกเออส่มยุทธก ร, หา ก, รหากับหากับหากับหากับหากับไม่เศร้ามันเองเเอตอตอบตอบมาเต็มปากตปเต็มคำหมด้วเอตอตามไม่ทีเมื่อขนาดจะเศร้าเต็มถนดนเน่ใช่ไหมออเออ บาดทะมาหาหมอทำทาเศ้าสุกมือนักลไปเออลงฟอวายบางเนี่ยคือลงฟอบอลคือคือบอไปเ <im it> ออบอกลงฟอบอกบอมันแมนเนี้ยบอกมันคืด ค, คืบอลลไปกันแนว่าแมนลงพอชิบฟอบอลลงไปา <im it> บานนี้ลงพอศาสตร์ใจให้เป็นแนวความคิดอนด็บาดนี้เออเป็นขอคิดสาหรับพวกออกตอนอ้นยยมลูกหลานทุกู่ทุกคนเอาตอนนี้ไปสาดนร์นำพุทธมณฑลบานนี้เนาะ